แล้วก็เรื่องสมาธินี่ก็อย่าไปคิดว่าไปนั่งหลับตาสมาธิมีหลายแบบนะครับคือนะอิริยาบถนี้เป็นอพยากตรทำนะ ต, ต้องไม่ลืมทั้นตัวสมาธิเนี่ยสมาธิสี่สิบวิธีเนี่ยสมาธิบางอย่างเจริญด้วยการอาศัยอาศัยอะไรสมาธิบางอย่างเน้นที่สติเช่นมรณ า, านุสติมรณ า, านุสตินั้นเป็นกรรมฐานที่ประเภทตามระลึกนึกถึงคนตายอ่ะ คนที่เคยตายมาแล้วสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยสัตว์ทั้งหลายจักตายด้วยสัตว์ทั้งหลายกำลังตายด้วยนะถึงเราก็ตายความสงสัยในเรื่องตายไม่มีแกเราไม่สามารถที่จะปราบรบนะจะเรียกว่าเก็บสถิติคนตายได้หมดกระจอกที่สุดก็ตายดีขึ้นมาอีกหน่อยก็ตาย ใหญ่ๆระดับพระเจ้าจากกักรพรรดิก็ตายพระเจ้าอาโศกมหาราชมียนุภาพมากมายมหาสารก็เรียบร้อยไปแล้วพระเทวทัต ช, ชั่วสุดยอดเลยก็ตายไปหมดแล้วโอ้โหมีปัญญาเหมือนกับภาษารีบุตรก็ยังไม่เหลือเลยพระโมคะลานะเนี่ยเรียกว่าพลิกแผ่นดินด้วยมือข้างหนึ่งได้ทั้งหมดท่านก็เรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคนะผู้ประเสริฐที่สุดยังยังดับขันธะปริณิพานแล้วเราเป็นใครอ่ะ ซึ่งตรงนี้ก็กําลังพูดถึงอุปมาของเรื่องของพระัตนตรายอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคนั้นอุปมาเหมือนกับนะในหน้าสิบกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนมิตร ด, ดีนะเพื่อนที่ดีเพื่อนแท้นั่นแะหละกัลยาณมิตรพระธรรมนี้เปรอะพระธรรมเปรียบเหมือนคําสอนที่เป็นหิตรประโยชน์นะคำสอนของเพื่อนน่ะนะคำสอนของมิตรที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลที่สุด ถ้าสองก็เปรียบเหมือนชนผู้ประสบประโยชน์ตนเพราะประกอบด้วยหิตรประโยชน์นะประโยชน์เกื้อกูลนะนะหิตรแปลว่าเกื้อกูลเป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขเป็นไปเพื่อเพื่อกูลทันพระพุทธเจ้านั้นเป็นเหมือนกับกาลยา น, นมิตรที่คอยแนะนําหวังดีในประโยชน์ทั้งหมดเหล่านั้นซึ่งอาจจะขอยกข้อความในศีลสูตรก่อน ข้อความในศีลสูตรคัมภีคุถการนิกายอุทาอิติวุตการนะกล่าวว่าดูก่รพริกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดถึงพร้อมแล้วด้วยศีลสมาธินะถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาถึงพร้อมด้วยวิมุติถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นโลกิยะบ้างเป็นโลกุตระบ้าง ส่วนวิมุตินั้นเป็นโลกุตระอย่างเดียววิมุตติยานัทสนะเป็นโลกิยะอย่างเดียวเพราะว่าวิมุตติยานัทสนะเป็นชื่อของปัจเจเวขนายานนะพิสูจน์ที่มีคุณสมบัติแบบนี้เป็นผู้กล่าวสอนให้รู้แจ้งให้เห็นแจ้งให้สมาทานคือให้ถือเอาอ่ะให้อาหารกล้าทํา ให้ร่าเริงเป็นผู้สามารถบอกพระสัจธรรมได้อย่างดีนะคุณที่คนที่มีคุณสมบัติที่ประกอบถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญา ว, วิมุตต์และวิมุตติญาณทัศนะนะเป็นผู้สามารถชี้แจงในเรื่องของสัจธรรมสัจธรรมในที่นี้ก็หมายถึงโลกุตระสัจธรรมนะหรือสัจธรรมที่คําสอนในพระไตรปิฎกนั่นแหละคือสัจธรรม ดูก่อนพิษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวการเห็นพิกษุเหล่านั้นก็ดีนะเห็นนิบาวน์ตาเรื่องมันเถอเป็นทัศนานุตรยะการฟังภิกษุเหล่านั้นก็ดีการเข้าไปใกล้พิกสุเหล่านั้นก็ดีการไปนั่งใกล้พิกษุเหล่านั้นก็ดีการระลึกถึงภิกษุเหล่านั้นก็ดีการบวชตามภิกสุเหล่านั้นก็ดีว่ามีอุปการะเมื่อนะ นับตั้งแต่เห็นได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของท่านนะ่ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเมื่อภิกษุซ่องเสพคบหาเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุเห็นปานนั้นศีลขันนะขั น, นะขนแปลว่ากองกองแห่งศีล <c oughs> คือไม่ใช่ศีลอันเดียวนะแสดงว่าพูดเป็นกองกองเลยเยอะมากสมาธิขันปัญญาขัน วิมุติขันและวิมุติญาณทัศนขันแม้ที่ยังไม่บริบูรณ์ก็ถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาด้วยการเจริญดูก่อนพิสูนทั้งหลายก็พิสษุ์ผู้เห็นปานนั้นเราตถาคตกล่าวว่าเป็นศาสนาบ้างนะคือคนที่มีคุณธรรมระดับที่ว่านี้ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละผู้ที่มีคุณธรรมอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ย เป็นผู้นำพวกไปบ้างละค่าศึกคือกิเลสบ้างกระทำแสงสว่างบ้างกระทำโอกาสบ้างกระทำความรุ่งเรืองบ้างกระทำรัศมีบ้างทรงคบเพลิงไว้บ้างเป็นพระอริยะบ้างมีจักสุบ้างองค์ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าการได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีตนอันอบดมแล้วผู้มีปกติเป็นอยู่โดยธรรมย่อมเป็นเหตุ แห่งการกระทาซึ่งความปราโมทแก่บัณฑิตทั้งหลายผู้รู้แจ้งบัณฑิตทั้งหลายฟังคำสอนของพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้กระทำรัศมีผู้กระทำแสงสว่างเป็นนักปราชญ์ผู้มีจักสุผู้ละค่าศึกคือกิเลสประกาศพระสัตธรรมยังสัตว์โลกให้สว่างแล้วรู้โดยชอบซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมไม่มาสู่พบใหม่ วันถ้าหากว่าผู้ที่ได้คบหาเข้าใกล้กับผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนั้นเราก็สามารถที่จะได้พระธรรมคำสอนหรือได้ความรู้อันนั้นมาเมื่อได้ความรู้อันนั้นมาก็สามารถที่จะละค่าศึกหรือทำทำโลกให้สว่างโลกไหนสว่างนะที่นั่งอยู่เนี่ยโลกตัวเรานั่นแหละสว่างก็บอกว่าถ้าเราไม่รู้อริยสัจนะถือว่าเป็นโลกที่ที่มืดถ้าไม่มีอุปนิสัยแห่งอริยสัจเลยนะ ไม่มีอุปนิสัยแห่งการบรรลุมรรคผลเลยแสดงว่าในนั้นข้างในไม่มีแสงสว่างอยู่แต่ถ้าหากว่าผู้ใดมีอุปนิสัยที่จะได้บรรลุอริยสัจมีอุปนิสัยที่จะได้บรรลุมรรคผลผู้นั้นเหมือนกับมีแสงสว่างอยู่ข้างในพระพุทธเจ้าท่านโปรดได้ฉะนั้นการศึกษาพระธรรมคําำคำสอนนี้ก็แสดงว่าเป็นไปเพื่อนะทำแสงสว่างให้มันเกิดขึ้นอบรมอินทรีย์ไปในชั้นต้นที่สุดยังไงยังไงก็เห็นโทษ เห็นภายในป a โลกนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะนะคนที่เห็นภายในป a โลกป a r a แปลว่าอื่นโลกโลกคือหมู่สัตว์นั่นแหละเห็นป a โลกคือโลกอื่นจากนี้ให้เห็นโทษมากก็ใช้ได้แล้วนะคือถ้าเห็นโทษในป a โลกมากก็แสดงว่าเห็นกรรมและผลของกรรมชัดขึ้นนะเจตนาของเราไม่เป็นหมันแน่อีกสูตรหนึ่งนะข้อความในทุติยะเสขะสูตร ว่าด้วยความมีมิตร ด, ดนะีข้อความกล่าวว่าพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอาหารหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อภิกษุผู้เป็นพระเสขะยังไม่บรรลุอรหัตตผลปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม เราไม่พิจารณาเห็นแม้เหตุอันหนึ่งอย่างอื่นกระทําเหตุที่มีณนะภายนอกว่ามีอุปการะมากเหมือนความมีกาลยานมิตรหรือมีมิตรดีนี้เลยนะเหตุอุปการะข้างนอกนะที่จะให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์หรือว่าให้บรรลุธรรมเนี่ยเหตุภายนอกเลยนะมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่สําคัญที่สุดคือ กัลยานามิตรหรือตรงนี้แปลว่ามิตรดีกัลยาณะแปลว่าแปลว่าดีดูการพิสูจทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีหรือมีกัลยานามิตรย่อมละอกุศลเสียได้ย่อมเจริญกุศลให้เกิดมีนะถ้ามีกัลยาณมิตรนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า ภิกษุใดผู้มีมิตร ด, ดีมีความยำเกรงมีความเคารพกระทําตามคําสอนของมิตรทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะภิกษุนั้นพึงบรรลุธรรมะอันเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงโดยลําดับคือมีมิตรดีเพื่อที่จะให้มิตรนั้นแนะนําประโยชน์นั้นให้นะมิตรที่แนะนําประโยชน์ในโลกนี้เราก็รู้จักกันเยอะเลยนะ ที่เราไปเรียนทางโลกวิชาการทางโลกทั้งหมดคือมิตรที่แนะนําประโยชน์ในโลกนี้นะการศึกษาเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นมิตรที่เกื้อกูลในประโยชน์ในโลกหน้านะมิตรที่เกื้อกูลเพื่อให้รู้แจ้งอริยสัจทขาเรียกว่าเป็นมิตรที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือประโยชน์ในนิพพานอ่าเรียกว่าปรมาถประโยชน์นะนะเอาข้อความในสขวักนะโกสลสังยุต วักว่าเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าเปรตที่โกศลซะส่วนใหญ่ทุติยะอัปมาทสูตรว่างั้นสูตรที่ว่าด้วยความไม่ประมาทนะทุติยะก็คือที่สองนะสูตรแสดงว่ามีความไม่ประมาทแบบที่หนึ่งอันนี้แบบที่สองมาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตพระนครสาวัตถีนะก็เมืองของพระเจ้าเสรตที่โกศล น, นั่นแหละพระเจ้าประเปรตที่โกศลประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานท้าวโรกาสความปริวิตกแห่งใจบังเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ผู้เข้าไปในที่ลับพักผ่อนอยู่อย่างนี้ว่านะคือเข้าไปในที่ลับเกิดความคิดขึ้นว่าเขาใช้คําว่าปริปริแปลว่ารอบวิตกแปลว่าตรึกตรึกโดยรอบเลยคำว่านั้นใช้คําว่าปริวิตตก ปริวิตกว่ายังไงปริวิตกว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดดีแล้วนั่นแหละนะสวาคาโตภควตาธมโมสำหรับผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดีไม่ใช่สาหรับผู้มีมิตรชั่วมีสหายชั่วมีจิตน้อมไปในคนชั่วนะพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นน่ะเป็นของสำหรับคนที่มีเพื่อนดีนั่นแหละ อ่านนะไม่ใช่เป็นเรื่องของคนมีเพื่อนชั่วผมก็ดาวถูกสิเมื่อกี้เนี่ยถูกว่าไงก็หมายความว่าก็ต้องมีสมัยหนึ่งนะครับที่กัลยาณมิตรเนี่ยหายากแต่ว่าก็มีพระธรรมนี่แหละเป็นเพื่อนนะ่ะเจริพรนั่นแหะอ่าเพราะฉะนั้นคนที่มีพระธรรมคาสอนนั่นแหละจึงจะเป็นผู้ที่มีเมตเดีนะเอาแบบยกเนี่ยแต่แบบสมัยก่อนคือผู้ที่มีความสามารถ ในการทรงพระธรรมคำสอนนั่นแหละตอนนั้นก็เป็นมิตรให้เราได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนมหาบพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่อนมหาบพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่อนมหาบพิษ ธ, ธรรมะที่อาตมาภาพกล่าวดีแล้วนั่นแหละสำหรับผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีจิตใจน้อมไปในคนดีนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสาหรับคนดี่างนั้นเย ไม่ใช่สำหรับผู้มีมิจชั่วมีสหายชั่วมีจิตน้อมไปในคนที่ชั่วดูกอนมหาบาพิษสมัยหนึ่งอาตมาภาพอยู่ที่นิคมของหมู่เจ้าสกยะชื่อว่านครกะในสกชชนบทดูกอนมหาบาพิษครั้งนั้นภิกษุ อ, อ น, นุนเข้าไปหาอาตมาภาพถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้พิวาดอาตมาภาพแล้วนั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ดูก่อนมหาบพิตภิิษุอานอนท์นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวกับอาตมาภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดีเป็นคุณครึ่งหนึ่งแห่งพรหมจันทร์ตั้งครึ่งหนึ่งเลยพระเจ้าข่าวั้น่นดูก่อนมหาบพิตเมื่อพิษุอานอนท์กล่าวอย่างนี้แล้ว อาตมาภาพได้กล่าวกับพิสุอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นดูก่อนอานนท์ความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีใจน้อมไปในคนที่ดีนี้เป็นทั้งเส้นของพรหมจรรย์ทีเดียวนั่นแหละคําว่ากลาลยานามิตรตรงนี้ท่านอธิบายว่าเชื่อว่า คุณที่เป็นเบื้องต้นว่าโดยใจความนะคือคื อ, คอกาลยานามิตรเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านเหล่านั้นแล้วจะได้คุณเบื้องต้นคื อ, อนะขันสี่ได้กองสี่กองว่างั้นเถอะถ้าเข้าไปครบกาลยานามิตรถ้าได้สี่กองมาแสดงว่าครบถูกมิตรแล้วล่ะแลนะข้อความกล่าวต่อไปว่าดูก่อนอ น, อนุนนี่ภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีปรารถนา ภิษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดีจากเจริญอริยมัติมีองค์แปดจากกระทําซึ่งอริยมัติมีองค์แปดให้มากนั่นแหละถ้าหากว่าคนที่มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเนี่ยก็จะทําให้เขาได้เจริญอริยมัติอันประกอบไปด้วยองค์แปดดูก่อนอา น, นุ์ ก็ภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดีย่อมเจริญอริยมัติมีองค์8ปย่อมกระทําซึ่งอริยมัติมีองค์8ปดให้มากอย่างไรดูก่อนอนนนภิกษุในศาสนานี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาอันอาศัยวิเวอาศายวิราคาอาศัยนิโรธะ น้อมไปเพื่อการสละเจริญปัญญาอาศัยวิเวกวิเวกมีกี่อย่างคะวิเวก5้านะเคยได้ยินนะวิเวกห้าหนึ่งวิขัวิขับพนะวิเวกสองตัทางค้าวิเวกสามสมุทเฉทวิเวกสี่ปฏิปัสสติวิเวกแล้วก็นิสรณะวิเวกนะ ก็คือกายวิเวกเนี่ยได้ตั้งแต่ต้นนะคนที่เจริญอย่างนี้แสดงว่าได้กายวิเวกพอสมควรแนละจิตวิเวกพอสมควรแนละ้วแต่นี้อีกนัยยะหนึ่งเพราันตรงนี้ก็คือเจริญสัมมาทิฏฐิอาศัยวิเวกมุ่งเอาวิเวกสามอาศัยแต่ทางเข้าวิเวกแต่ทางเข้าวิเวกนะที่เราคุ้นคุ้นกันก็คือปริญญาสามนั่นแหละการเจริญปริญญา เจริญสัำ ม, มาที่ทอาศัยปริญญาเรียกว่าตักทังเข้าวิเวกนั่นแหละหรืออะซ้ำโมหะสัมปชัญญานั่นแหละอ า, อาศัยสมุดเชทวิเวกวันนี้เจริญยากแต่ถ้าใครได้นะพิเศษที่สุดเลยสมุดเชทวิเวกได้แก่อเรียมมักคือตัวมักอ่ะตัวปัญญาที่ในโสดาปฏิมักและอาศัยนิสรณวิเวกเพราะว่า อริยมรรคต้องมีวิเวกเป็นอารมณ์ใช่ไหมวิเวกนั้นก็คือนิสรณวิเวกมีนิพพานเป็นอารมณ์ตัววิปัสสนาเรียกว่าตทางค้าวิเวกปัญญาที่ในมรรคเป็นสมุเทเฉทวิเวกนิพพานเป็นนิสรณวิเวกนะเจริญสมาธิอาศัยวิเวกสามอย่างเนี่ยอเจริญสมาธิที่ไหนะก็ไม่ไม่ง่ายแต่เจริญได้ไหม ถ้ามีศรัทธาที่จะเจริญไม่ยากต่อไปนะย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะนะอาศัยวิเวกเหล่านั้นอีกนะเจริญสัมมาวาจาเจริญสัมมากรรมันตะเจริญสัมมาอาชีวะเจริญสัมมาวายามะเจริญสัมมาสติเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกทั้งหมดที่ว่าไปอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละ การสละมีสองอย่างนะสละอันหนึ่งแบบว่าสละแบบบริจาคสละอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าสละแบบแล่นไปสละแบบบริจาคเขาเรียกว่าปริจาคะโวสักะบริจาคอันนี้ด้วยวิปัสนาสละกิเลสแบบนี้แต่ก็ต่อไปก็คือสละแบบปักขันธนะแล่นไปในนิพพานปักขันธนะเป็นชื่อของ มักนั่นเองนั่นแหละฮันเจริญอริยมักอันประกอบไปด้วยองค์แปดอย่างนี้แหละอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนั้นอริยมักอันประกอบไปด้วยองค์แปดนะข้อที่สําคัญมากที่สุดก็คือสัมมาธิฏิสัมมาธิฏินั้นเป็นเบื้องต้นของการเจริญอริยมักมีองค์แปดเลยถ้าหากว่าสัมมาธิฏิเราไม่ดีนะ ถ้ามีความเห็นไม่ดีคิดก็ไม่ดีด้วยเพราะความคิดเนี่ยจะเป็นไปตามความความเห็นที่ความเห็นของเขานั้นเป็นเทิฏฐิเจนพอและเขาก็คิดตามความคิดอันนั้นเป็นสังกัปปะและเขาพูดเป็นวาจาพฤติกรรมของเขาก็เป็นกรรมตะันักายวาจาก็ประมวลเรื่องของอาชีพของเขาแล้วนั่นแหละเขาก็ไม่หยุดอยู่เฉยๆใช่ไหมขยันใหญ่เลยก็เป็น วายาม ะ, <ล>ะมการวางแผนก็ดีการการนัดแนะก็ดีเนี่ยก็จะเป็นไปตามกิจกรรมเหล่านี้ของเขา ท, ทั้งหมด น, น, นั่นก็เป็นมรรคอย่างหนึ่ง น, นั่นแหละเป็นมรรคขปัจจยัยแต่ว่าเป็นเป็นปฏิปทาเพื่ออะไรน ะ, ะบรดก่อนพูดถึงปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติหกอย่างใช่ไหมข้อปฏิบัติเพื่อไปนิระยะหนึ่งนะอย่าแปลเลยนิระยะกันแล้วกันนะฟังยัไงลึกซึ้งหน่อยสอง เปตะนะปิติหรือเปตะสติริชาะนะนะสมนุษย์เออมนุษย์นี่วิเศษน่นะบางครั้งก็เป็นปฏิปทาเพื่อฉั้นสิ่งที่ทําคําที่พูดเป็นปฏิปทานะเพื่อมนุษย์หรือเพื่อเทวดาเทวดานี้รวมถึงพรหมด้วยแล้วก็มีสุดท้ายเป็นปฏิปทาเพื่อนิพพานนั้นก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั่นเองฉันก็เป็นหนทางฉันทุกคนนะที่เดิน อยู่ทุกวันเนี่ยอย่าว่าเดินทางกายเลยความรู้สึกนึกคิดความเห็นตัวนี้เป็นทิฏฐิและแต่ทิฏฐิอันนี้จะเป็นสัมมาหรือมิฉานั่นแหละจะถูกหรือผิดก็อยู่ที่ที่ปัญญาแต่ว่าปัญญาอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็เหตุภายนอกที่สําคัญที่สุดคือกัลยาณมิตรถ้าเหตุภายในคือโยนิโสมนัสิกาอะไรถ้าสูตรก่อนนะกล่าวถึง ทุตปฐมเสียขาดสูตรกล่าวถึงว่าเหตุภายในที่สําคัญที่สุดคือโยนิโสมนัสิการถ้าเหตุภายนอกที่สําคัญที่สุดก็คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรมันจะเกื้อกูลต่อให้ให้จิตเป็นกุศลเราจะสังเกตเลยนะถ้าคนที่คบคนเยอะๆเนี่ยจะรู้เลยว่าเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนนี้จิตเราเป็นยังไงแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่สังเกตความรู้สึกความนึกคิดของตัวเองมากๆนะจะรู้เลยเกี่ยวข้องกับคนนี้นี่โทสะเกิดง่าย เกี่ยวข้องกับคนนี้เพ้อเจอง่ายนะจะรู้แต่ไปบางคนปั๊บเนี่ยแค่นึกถึงหน้าปั๊บเนี่ยจิตต้องเป็นผุ้สลเลย <c oughs> เออบางคนเนี่ยเราบางบางคนนะที่เราเคารพเนี่ยนึกถึงหน้าปั๊บเนี่ยนะจะปารภเป็นธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเลยกระท่าน <c oughs> ต่อไปนะว่าดูก่อนอนอนพิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดีต้องจิตต้องน้อมไปหาคนดีด้วยนะเจริญอริยมรตมีองค์8ย่อมกระทําซึ่งอริยมรตมีองค์8ให้มากได้อย่างนี้แลก็คือเจริญอริยมรตประกอบด้วยองค์8อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละ สูตรก่อนๆแนนนานันทะโกวาทัศุเราจะเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสละเพราะการเจริญกุศลธรรมแต่ละอย่างไม่ว่าจะเจริญโพุทธชงหรือเจริญอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์แปดคำสอนของพระผู้มีพระภาคเนี่ยเอนโอ น, น้นมไปสู่นิพผานอย่างเดียวคล้ายๆกับแม่น้ําทุกสายสายใหญ่ๆ ห, หน่อยนะ จะน้อมไปสู่หรือจะไหลไปสู่มาหาสมุทรอย่างเดียวคำสอนของพระพูทมีพระภาคถึงจะอยู่ตรงไหนก็ตามอยู่ในสูตรไหนก็ตามพระองค์จะสอนเพื่อให้เห็นอริยสัจนะถ้าใช้คำว่านี่พ่านปั๊บเราอาจจะนึกกันไม่ออกนะเอาอริยสัจกันแล้วกันคำสอนทุกส่วนน้อมไปเพื่อรู้อริยสัจทั้งหมดเลย แม้แต่พระ ส, สูตสั้นๆใช่ไหมครับเจนพอเช่นกุมารปัญหานี้ใช่ไหมครับเจนพอสั้นนิดเดียวอ่ะเจนพออะไรชื่อว่าหนึ่ง<ะ>สั้นนิดเดียวอ่ะแต่ว่าทุกสูตรเนี่ยหมายก็ว่านอกไปน้อกไปเพื่ออารยสัตว์ทั้งนั้นเลยอารยสัตว์อย่างเดียวเจนพอ